3. ทเวพาคะสิกขาบท 36. ถามทรงบัญญัตินิสักคียปาจิตตีแก่ภิกษุผู้ไม่เอาขนเจียมดำล้วนสองส่วนขนเจียมขาวหนึ่งส่วนขนเจียมแดงหนึ่งส่วนมาปนแล้วให้ทำสันทัดใหม่ณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารกใคร ตอบทรงปรารบพวกภิกษุฉับพักขีถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่พวกภิกษุฉับพักคีให้นำขนเจียมขาวหน่อยหนึ่งปนไว้ที่ชายสันถัดแล้วให้ทำสันถัดขนเจียมดำล้วนอย่างเดิมในทเวพาคะสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัตหกสมุดฐาน เกิดด้วยสมุดฐานหสมุดฐาน